คือการกระทำของเธอในคิดในใจอาจคอยสมพลไร้ไร้อาลึกลับตนคือการสลกันทอไรทดีหรือลวนั้นคือกัน The d t u b s may o u a s h i n e